ตบมีอาการกังวลใจอยู่ไม่น้อยพระสารีบุตรแย้มโอดหน่อยหนึ่งก่อนพูดว่าการครองเรือนมีความสุขน้อยมีความทุกข์มากกังวลมากสุขที่น้อยอยู่แล้วนั้นยังเป็นสุขปลอมเสีอีกเป็นอย่างไรสุขปลอมโยมไม่เข้าใจคือความสุขที่เจอด้วยทุกข์ไม่ปลอดโปรง่งไม่อิสระจบลงด้วยความคับแค้นเสียใจแล้วสุขอย่างไรเป็นสุขแท้ไม่ปลอม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 ดุดใบไม้สดในเบื้องแรกแปลเป็นสีเหลืองแล้วหล่นจากต้นทุกแดดแผดเผาให้กรีมกรอบโดยรอบเป็นของอันใครๆจับต้องไม่ได้เป็นปริโยสารอาชีวิตชีวิตช่างหน้าสังเวชสลดใจสิมิกระไรอุปติสะพี่ชายของเราคงจักเห็นความจริงเรื่องนี้เป็นแน่แท้แล้วจึงสละทรัพย์สินสมบัติออกบวชอย่างไม่อาลัย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 เรวัดลงจากยานแล้วบอกญาตว่าขอให้ขับยานล่วงหน้าไปก่อนอีกสักครู่จะตามไปญาตผู้สิ้นระแวงแล้วจึงขับยานล่วงหน้าไปเรวัดได้โอกาสจึงเดินเข้าไปในป่าพบสำนักสงฆ์ซึ่งมีภิกษุพำนักอยู่ประมาณส0สิบรูปเข้าไปไหว้ท่านแล้วขอบวชภิกษุทั้งหลายเห็นเธอประดับประดาด้วยสรนาพร อ, อันสวยงามมีราคามากจึงว่า หนุ่มน้อยท่านประดับประดาเครื่องอลังการพร้อมสรรพอย่างนี้ผู้ขับขีเจ้าไม่ทราบว่าท่านเป็นพระราชโอรสหรือบุตรของมหาอามาตย์จะให้ท่านบวชได้อย่างไรพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าจํากระผมไม่ได้หรือไม่รู้จักเลยพ่อนุม่มกระผมเป็นน้องชายของท่านอุปติสัพอุปติสัะคือใครท่านทั้งหลายเรียกท่านอุปติสัพพี่ชายของกระผมว่า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 แม้ยังเป็นสมเณนท่านก็เรียกกันว่าเทระโดยถือเอาคุณธรรมเป็นเกณฑ์เมื่อออกพรรษาปรวราณาแล้วพระสารีบุตรทูลลาพระาศาสดาอีกพระพุทธองค์ตรัสว่าสารีบุตรแม้เราก็จกไปที่นั่นเหมือนกันครั้งนั้นมีพิกษุสงจำนวนร้อยตามเสด็จเมื่อเสด็จไปถึงทางสองแร่งพระ อ, อ น, นุ์กราบทูลว่าพระเจ้าข้า ทางที่จะไปยังสำนักของพระเรวัตนั้นมีอยู่สองทางทางหนึ่งอ้อมเป็นระยะทางประมาณหกสิบโยชน์เป็นที่อยู่ของมนุษย์ทั้งหลายทางหนึ่งตรงประมาณสามสิบโยชน์เป็นที่อยู่ของอมนุษย์อันอมนุษย์คุ้มครองแล้วจะโปรเสด็จไปทางใดพระศากยมุนีตรัสถามว่าอานนท์ศีวลีมากับพวกเราด้วยมิใช่หรือมาด้วยพระเจ้าข้า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 พระราชาจึงให้ปิดประตูหลังแห่งนคร น, นั้นเสียประชาชนไม่มีทางออกต้องประสบความลําบากด้วยการขาดแคลนข้าวน้ําพระราชาจึงสามารถยึดเอานาคร น, นั้นได้สมพระประสงค์พระราชาผู้ยกกองทัพไปล้อมนครในครั้งนั้นคือพระศิวลีนั่นเองส่วนพระมารดา ข, ของพระราชาในครั้งนั้นคือพระมารดา ข, ของพระศิวลีในการนี้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 จึงให้คนไปคอยดักอยู่ปากทางที่คนจากชนบทจะเดินทางเข้ามายังพระนครทุกด้านครั้งนั้นมีบรุษผู้หนึ่งออกจากบ้านมองหาที่เดินเล่นนั่งเล่นอันภาสุขสำหรับตนได้เห็นรวงพึ่งรวงหนึ่งโตพอประมาณสวยงามเขาคิดว่าเป็นบุญของเราแล้วจึงถือเอารวงพึ่งนั้นเดินเข้าไปยังนครผู้ซึ่งมายืนคอยดักอยู่ปากทาง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 บุรุษผู้นั้นถวายอภิวาทพระบรมศาสดาแล้วยืนอยู่ณที่สมควรแก่ตนกราบทูลว่าพระเจ้าข้าด้วยอนิสงค์แห่งกุศลกรรมของข้าพระองค์ครั้งนี้ขอข้าพระองค์พึงเป็นผู้เลิ่อด้วยลาบในพบที่ข้าพระองค์เกิดทุกพบทุกชาติไปพระศาสดาทรงอนุโมทนาบุรุษผู้นั้นท่องเที่ยวอยู่ในภูมิเทวดาและมนุษย์เป็นเวลานาน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 พระาศาสดาพร้อมด้วยบริวารได้อาศัยบุญของพระศิวลีสเสด็จผ่านทางกันดานถึงส0โยอฝ่ายพระเรวัตเถระทราบว่าพระาศาสดาและภิกษุสงฆ์จำนวนมากรวมทั้งพระสารีบุตรด้วยกำลังสเสด็จมาสู่สำนักของตนจึงเมรมิต ท, ที่พักจำนวนมากไว้ต้อนรับพร้อมทั้งที่จงกรมเพียงพอแก่จานวนอาคันตุกะพระาศาสดาประทักอาศัยอยู่ณสานักของพระเรวัต ในดงไม้สกแกเป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนจึงเสด็จกลับราตรีสุดท้ายที่จะเสด็จกลับนั้นตอนใกล้รุ่งทรงแผ่ไายคือพระญาณไปตรวจดูอุปนิสัยของเวณนยศัตว์ที่พระองค์พอจะโปรดได้สงทราบวาระจิตของพิสุบางรูปที่ตามเสด็จมีพระประสงค์จะให้พิสุผู้เข้าใจผิดเหล่านั้นทราบความจริงด้วยตนเองในจานวนพิสุที่ตามเสด็จพระาศาสดานั้น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 ดังนี้แล้วรีบกลับไปเอาบริขารด้วยความรียบร้อนเลนเลอจึงถูกน้ําสแกแทงเจ็บปวดไม่ใช่น้อยพบหอสิ่งของของตนแขวนอยู่ที่ต้นสแกต้นหนึ่งได้ของแล้วรีบกลับไปภิกษุทั้งสองรูปไม่เห็นเรือนยอดหรือเสนาสะนะใดๆที่ตนอาศัยเลยเพราะเสนาสะนะเหล่านั้นเป็นของเนรมิตรเป็นสิ่งที่ท่านผู้มีฤทธิ์บันดาลขึ้นเมื่อท่านคลายฤทธิ์สิ่งนั้นๆก็หายไป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 เมื่อถึงเมืองสาวัตถีแล้ววันรุ่งขึ้นภิกษุแก่สองรูปดังกล่าวมาตื่นแต่เช้าล้างหน้าบ้วนปากแล้วคิดว่าจะไปฉันยาขูที่นิเวศของวิสาขาจึงรีบไปแต่เช้าเดิมข้าวต้มที่วิสาขาถวายแล้วนั่งฉันของเขาเคี้ยวอยู่วิสาขามาคุยด้วยเรียนถามท่านว่าท่านผู้เจริญท่านตามสเสด็จพระาศาสดาไปสานักของพระเรวัต ด, ด้วยมิใช่หรือ ไปอุบาสิกาที่อยู่ของพระเถระน่ารื่นรมหรือรื่นรมอะไรกันอุบาสิกาพระแก่ทั้งสองตอบรกด้วยไ ม, ม้สแกมีหนามขาวเป็นที่อยู่ของพวกเปรตระยะเวลาใกล้ๆกันนั่นเองมีพิสูจอีกสองรูปมาฉันยาคูที่นิเวศของมิสาขานางได้ถามถึงที่อยู่ของพระเรวัตว่าน่ารื่นรมหรือไม่พระสองรูปนั้นกล่าวว่าน่ารื่นรมเหลือเกิน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 ส่วนภิกษุสองรูปหลังคงจะได้เห็นสถานที่ตลอดเวลาที่พระเถระยังไม่คลายฤทธิ์นางตั้งใจว่าจะทูลถามพระศาสดาเมื่อเสด็จมาต่อมาอีกเพียงครู่เดียวพระบรมศาสดามีภิกษุสองแวดล้อมเสด็จมาสู่นิเวศของวิสาขานางอังคาดพระพุทธองค์ด้วยความเคารพเลื่อมใสเมื่อพระองค์เสร็จพัตกิจแล้วได้ถวายบังคมและทูลว่าพระเจ้าข้า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 สามเณรเรวัผู้เดียวแท้สามารถทำเรือนยอดสำหรับเป็นที่พักของพระาศาสดาและภิกษุสงฆ์จำนวนมากน่าอัศจรรย์สามเณรเป็นผู้มีลาบมีบุญน่าชมจริงๆพระบรมศาสดาเสด็จมา